เข้าใจแนละ้วเพราะไม่เห็นเรื่อง <laughs> <c oughs> ออท่ารอธิบายเรื่องอออทำเต่าเกิดยังไงชีวปร ะ, ระวัติเรื่องพ่อย่ <c oughs> ออชีวประวัติยังไม่เคยเขียนว่อเช้าก็พูดคุยธรรมะไปรอบหนึ่งแล้ว เรามาถึงเมื่อวานก่อนตอนค่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ได้ออกไปบินธบาตได้เวลาสิเบเอโมงก็ไปตักอาหารอยู่เนี่ยอยู่โรงครัวบุฟเฟ่แล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วก็มีคนไทยเยอะเมื่อเช้าเนี่ยก็พูดธรรมะรอบหนึ่งไปแล้ว เมเชา้าเขพูดหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับเรื่องแสวงหาความสุขทุกคนถ้าต้องการความสุขถ้าต้องการความสุขก็แสวงหาความสำคัญพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญที่ความสุขการจะมีลาบมียศมีเกียรติมีการสรรเสริญมีหน้ามีตาในสังคม มีธุรกิจหรูหราใหญ่โตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ตามมาคือเราต้องการสิ่งเหล่านั้นมากมายขนาดนั้นก็ตามเราต้องการเพื่อความสุขแต่นั่นแหละมันมีธรรมเนียมธรรมเนียมโลกมากเกี่ยวข้องบางครั้งเราสําคัญว่าเหตุนั้นเพื่อความสุขแต่บางครั้งมันก็เพื่อความทุกข์นั่นแหละไอ้เพื่อความทุกข์เพื่อความทุกข์นั่นแหละอันนั้นแหละกิเลสมันแทรกเข้ามาแล้ว ให้เราไปทำในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ผิดระเบียบผิดขนบธรรมเนียมผิดประเพณีผิดศีลผิดธรรมอาจจะได้ลาบอาจจะได้ยศได้เกียรติได้การสรรเสริญเยินยอมาในมาในทางที่ผิดได้รับความสุขประเดียวประดาวเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามม า, เ, าเราเราเอาแค่นี้ก่อนแปลเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นจะแปลตามไม่ได้ยับงบ่า ถ้าพูดยาวๆเปล่นแปลงไม่ได้เป็นว่าความสุขที่ชาวโลกเราแสวงหาบางทีก็ได้สุขได้ความสุขกลับมาบางทีก็ได้ความทุกข์กลับมาบางทีก็ได้ความสุขสมประสงค์บางทีก็ไม่ได้รับความสุขสมความประสงค์แต่ถ้าเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสทรงสอนให้พวกเราประกอบเหตุเพื่อความสุขที่แท้จริงนั้น เป็นความสุขที่เป็นไปตามหลักของศีลของธรรมเพราะการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลของธรรมพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้พิกสูตน์พิสูจน์มาแล้วว่าเหตุนี้เพื่อความสุขอย่างนี้เหตุนี้เพื่อความสุขอย่างนี้รวมไปถึงเราให้ละเหตุนี้เหตุนี้เป็นเหตุเพื่อความทุกข์อย่างนี้เหตุนี้เพื่อความทุกข์อย่างนี้ท่านให้ละ เหตุนี้เพื่อความสุขอย่างนี้เหตุนี้เพื่อความสุขอย่างนี้ท่านให้ประกอบทั้งเหตุสุขทั้งเหตุทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วเพราะฉะนั้นหลักศาสนธรรมของพระองค์พระองค์สอนให้เราละชั่วและกระทำดีแล้วก็เป็นเหตุให้เราได้ประสบความสุขความเจริญอย่างที่พระองค์ทรงสอนไว้ไม่มีผิดเพี้ยนไปอย่างอื่น เช่นอย่างวิธีการที่พระองค์สอนนั่นน่ะสอนให้ให้รู้จักเสียสละให้ทานและก็สอนให้ตั้งใจรักษาศีลศีลห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรามีไรศีลห้า <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเหตุนำมาซึ้งความสุข คนในสังคมเราเราจะเห็นว่าเกือบร้อยทั้งร้อยมีความทุกข์เพราะเราผิดศีลไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งในบรรดาศีลทั้งห้าถ้าเราตั้งใจประพฤติธปฏิบัติรักษาศีลห้าตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นอ่ะจะมีความสุขในครอบครัวของเราทําให้ครอบครัวของเราเนะี่ยอยู่เย็นเป็นสุขสามัคคีปรองดองไม่ระหองระแหงไม่แตกแยก ไม่สามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใจสามีเป็นเหตุให้ลูกเต้าญาติพี่น้องนี่พลอยทุกข์ใจไปด้วยนี่เราเห็นอันนี้เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าความสุขอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเป็นความสุขที่พระองค์สอนให้พวกเราหยุดหยุดวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสเดี๋ยว ผมจะสั่นๆแล้วก็ทันแปลเร็วๆตามไปเร็วๆเราคงแปลกใจทําไมเราต้องการความสุขการแสวงหาความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนให้เราหยุดไม่วิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสเพราะการวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสนั้นน่ยถ้าหากเราไม่มีความเป็นธรรมเราใจเราไม่มีความชอบธรรมพออ่า สิ่งที่เป็นรูป เ, ออเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นยือของกิเลสเป็นอาหารของกิเลสเรื่องของกิเลสนะั้นมันปรุงให้เรานึกเรื่องรูปนึกเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทุกระยะทุกเวลานึกไปบางอย่างก็ดีใจ นึกไปบางอย่างก็เสียใจเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าท่านจึงให้หยุดไม่ต้องนึกต้องคิดให้เราภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมเราภาวนาไปนานๆจิตของเราก็จะเริ่มสงบจิตของเราเมื่อถูกเริ่มหัดฝึกหัดภาวนาไปนานๆจิตของเราก็จะเริ่มเชื่องจิตของเราก็จะเริ่มอยู่ เนื่องจากจิตหิวอารมณ์อารมณ์ของจิตก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสจิตจึงวิ่งตามอารมณ์ที่จะเระียกว่าจิตหิวการที่เราเอาอาหารมาป้อนให้กับจิตที่เป็นธรรมเป็นการป้อนอาหารให้กับจิตพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เป็นอาหารโดยธรรมไม่ใช่ ปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเราปรุงสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ตามมาก็คือดีใจและก็เสียใจแต่ถ้าเราหยุดวิ่งตามนั้นหยุดวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นหยุดปรุงสิ่งเหล่านั้นปรุงเรื่องธรรมะเป็นอาหารแทนใจเมื่อได้รับอาหารถูกใจก็จะเริ่มสงบใจสงบ ก, ก็คือใจอิ่ม ใจไม่หิวเมื่อก่อนนั้นใจไม่หยุดไม่สงบไม่นิ่งเพราะใจหิวหิวอารมณ์ <Yeah. S 1> ท่านให้เราเภานาะ ใ, ให้ใจของเราอิ่มกับอารมณ์ที่เป็นธรรมคือพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิ์แต่อิงธรรมและเป็นความสุขที่บริสุทธิ์มีไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่า นที่สันติพลังสุขขังไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอันนี้เป็นความสุขขั้นหนึ่งระดับหนึ่งความสุขอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งยังมีอีกคือความสุขพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรอบรู้เพื่อทําลายความหลงของตัวเองที่เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนา ความสุขขั้นที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้น่ะเป็นสมถะความสุขอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งั่นเป็นเรื่องของวิปัสสนาสมถ ะ, ะนุนวิปัสสนาสมถะก็คือจิตสงบจิตสงบจิตมีกําลังจิตมีพลังครูบาอาจารย์สายป่าเราโดยเฉพาะหลวงปู่เสาวหลวงปู่มั่นหลวงตาสอนให้สมถะแล้วก็วิปัสสนาสอนให้ใจสงบ เมื่อใจมีกําลังจากความสงบแล้วก็สอนให้พิจารณาเพื่อก้าวไปสู่ความสุขอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งพื้นเพจริตนิสัยจิตใจของคนเราทุกๆุกคนใจของสัตว์ทุกๆดวงใจของคนทุกๆุกคนมีความหลงครอบงำอยู่คำว่าความหลงก็คือความไม่รู้จริง ความไม่รู้จริงก็คือความไม่ฉลาดพอความไม่รู้พอโดยเหตุที่เราไม่ฉลาดพอเราไม่รู้พอเราไม่รู้จริงเราต้องการแก้อย่างหนึ่งให้เกิดความสุขพยายามจะสร้างเหตุอย่างหนึ่งให้เกิดความสุขแต่บางครั้งเราเข้าใจว่าเหตุเพื่อความสุขนั้นแนะแต่มันกลายเป็นเพื่อความทุกข์นี่เราไม่ไม่รอบรู้ไม่เข้าใจ เพราะมันมีโมหะครอบคลุมหัวใจของเราอยู่ท่านจึงให้เราพิจารณาถึงสัญญาอารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องภายในใจของเราให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรกันอะไรเป็นเหตุแห่งอะไรอะไรเป็นเหตุแห่งอะไรจึงเป็นเหตุต้องได้เข้าหลักพิจารณาตามหลักอริยสัจสี่ตามหลักปัจจัยาการ12หรือไม่ก็ตามหลักมหิมหสติปัฏฐานส อริยมรคมีองค์แปดนี่เป็นหลักใหญ่ใจความข้ออัดข้อทำซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาทําลายความหลงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสทรงสอนไว้เมื่อเรามีความสงบแล้วเราก็เอาธรรมะเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องมือฝึกปรือให้จิตของเราเนี่ยได้รับความรอบรู้ได้รับความฉลาดได้รับความสว่างเพื่อกําจัดความมืด ทีเรียว่าอาวิชชาในหัวใจของเราเนี่ยความมืมดมนอนตรการเมื่อเรากำจัดได้หมดพวกเราถือว่าถ้าหากเราไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีภพชาติไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบแต่ถ้าหากเรากำจัดสิ่งเหล่านี้ได้กำจัดอวิชชาตันหาวปาทานคือกิเลสในใจของเราได้ภพชาติคือเกิดแก่เจีบตายในวัฏสงสารเราก็จบได้ อย่าลืมว่าวัตถสงสารของใครของใครก็ตามยิ่งพัฒนาไปยาวเท่าไรความทุกข์เราก็พัฒนาไปด้วยโดยเหตุที่เราหยุดวัตถสงสารได้ความทุกข์เราก็หยุดด้วยการหยุดความทุกข์แบบพระพุทธเจ้าท่านพาปฏิบัตินี้พระพุทธพระพุทธองค์ท่านให้ความสำคัญว่าประมังสุขังประมังสุขังเป็นความสุขอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายเป็นผู้แสวงหาความสุข แม้แต่เตามาภาพก็เป็นผู้แสวงหาความสุขเหมือนกันเป็นผู้สอแสวงหาความสุขความสุขตามลําดับขั้นที่พวกเราได้ยินได้ฟังมานี้มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราสอบแสวงหาได้รู้ได้เห็นได้พบได้เข้าใจศึกษากับครูบาอาจารย์องค์นั้นศึกษากับครูบาอาจารย์องค์นี้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงปรารถนาเป็น พระพธิสัตว์นั่นแหละแล้ก็ท่างกับทรงสร้างบา ร, รมีแล้วกะท่านทรงสแสวงหาบำเพ็ญบารมีถึงสีอสงไขยแสนมหากับโดยเฉพาะพระพุทธโคนโมของเราเนี่ยสี่อสงไขยแสนมหากับนั่นคือการสแสวงหาสแสวงหาทางปฏิบัติไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จะเห็นง่ายๆพวกเราเราชื่อว่าพระสาวกพระสาวกเราต้องฟังพระาศาสดาเป็นผู้มาบอกมาสอนเราถึงรู้ข้อปฏิบัติ ในใจว่เราเรามีแต่ความอยากนะอยากอยากอยากอยากอยากอยากมีความสุขอยากมีความสุขแต่ทำไม่ถูกอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงทำไม่ถูกอะไรเหตุแห่งความทุกข์ก็ไม่รู้จักเหตุแห่งความสุขก็ไม่รู้จักก็าซุ่มเดาแก้ไขไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงประสบสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างสุขบ้างทุกทบ้างถ้าเราแก้ปัญหาแบบชาวโลกเขาแก้ เราก็จะต้องประสบกับความสุขสุบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างอยู่อย่างนี้แหละเนื่องจากว่าพวกเราถ้าจะใช้คําที่พระพุทธเจ้าสรงตรัสคือพวกเรามืดพวกเรามืดบอดพวกเราโง่อเข่าพวกเรามืดบอดพวกเราจึงหมกอยู่ในโลกอะไรนะชายาอะไรคันตธรรมโอคันตะธรรมโอแม้แต่ธรรมภาพ ท่านเมตตาเมตติโกท่านชาตะมโรท่านกันตะธรรมโอนี่พวกเราก็แสวงหากว่าจะได้พบครูบาอาจารย์ก็แสวงหาแต่พวกเราที่โชคดีมากครูบาอาจารย์ท่านสสเสาะแสวงหาได้ข้อปฏิบัติมาแล้วก็มาตั้งสำนักอยู่ตรงนี้อย่างตมาภาพนูน้นอยู่วีรมนั่นแหละสสเสาะแสวงหาอืม ไปอยู่กับหลวงปู่เขียน3ปีไปอยู่กับหลวงตาสะเปีไปเรื่อยๆโดยลำดับหลังจากออกปี22นะ่ปี2522ก็เข้าไปอยู่ศึกษากับท่านตอนนั้นก็ภาษาหไปจำภรษาแรกกับท่านก็คือเรานับเป็นภรษาที่หบวชที่วัดสุธาโ น, นนะสุทากินดาโคราช แล้วก็จํภาษาหนึ่งราษาอือยากศึกษาเราเรียนประหยัดกับเขาแต่ก็เห็นว่าแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่นัก <c oughs> เลยไม่อยู่ละนะได้หนึ่งภาษาก็ไปอยู่กับหลวงปู่เขียนก็อุปชายะวัสุทธานัน่ยแหละท่านส่งไปอยู่กับหลวงปู่เขียนอยู่กับหลวงปู่เขียนสามปี หลวงปู่เขียนท่านก็พาไปนู่นไปนี้ไปหลว ง, ง, งปู่เทศไปหลวงปู่ฟั่นไปหลวงปู่หลวงปู่ศรีไปหลวงตาบัานตาดหลวงปู่เขียนท่านพาไปนี่มันก็เลยเป็นเหตุเส้นทางระยองระยางกันอยู่อย่างนี้แหละก็เหมือนอย่างท่านที่เป็นชาวเยอรมันเนี่ยท่านชาตมาชาตมาโรเอย ท่านเมธีโกเอยเนี่ยการตะทำโมเอย์เงี้ยก็ไปส่องแสวงหาครูบาอาจารย์แท้ที่จริงเราไปส่อสแสวงหาครูบาอาจารย์ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้รู้จักช่องทางว่าทํายังไงเราอยากประสบพระผทางอที่เราจะตั้งใจสแสวงหาความสุขให้สมให้สมให้สมใจที่เราต้องการจะมีแต่ความสุขความเจริญในหัวใจของเราอยากบรรทุกว่า ง, งั้นเถอะ จึงเป็นเหตุให้ตามคนต่างด้านโดนไปไม่ว่าจะเป็นยุคเรายุคไหนๆก็เหมือนกันแหละต้องสอ ะ, ะแสวงหาด้วยกันทั้งนั้นแหละเมื่อเช้านี่ก็พูดไปถึงว่าผู้ที่ติดทินเราเปรียบเหมือนว่ากบอยู่ในกะลากะลาคือกะลามะพราวกะลามะพราวที่มีน้ำอยู่ในนั้นน่ะกบตัวเล็กๆมันอยู่ในนั้นมันก็เล่นอยู่ในนั้นสนุกกบติดอยู่แต่ในกะลา เหมือนกับคนบางคนติดถิ่ น, ไ ม, นไม่อยากไปนู่นไม่อยากไปนี่ไม่ไปเสาะแสวงที่นู่นที่นี่ไหนสี่ก็เล ย, เ, ลยเราเลยหาช่องออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้การที่เราเสาะแสวงหามาข้างนอกอเหมือนกับเรามาทําความรู้จักกับโลกกว้างแทนที่จะมารู้จักแค่กบในกระลาเนี่ยเหมือนน้าที่อยู่ในกะลามะพร้าวมาเจอน้ําห้วยน้นําหนองน้ําบึง ไปน้ำทะเลน้ำหาสมุทรโอ้ยิ่งใหญ่ไพศาลมากมายมหาศาลการที่เราเกิดในโลกมีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกแล้วเราออกมาบำเพ็ญธรรมรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนกับการออกจากถินไม่ติดทินและออกจากถินมาสะแสวงหาความรู้ดีในโลกกว้างเพื่อที่จะมาได้หลักได้วิชาการได้ความรู้มาประพฤติมาปฏิบัติอันนี้เราพูด เป็นเหตุให้พวกเรารู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองถ้าหาเราโชคดีอยู่แล้วเราอยู่ตรงนี้มีคนมาสร้างโอกาสทําให้เรามีโอกาสอยู่ตรงนี้ศึกษาตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้ได้ประสบความสุขอ่าที่แ ท, ท้จริงอยู่ตรงนี้คำนาวาโชคดีของเราโชคดีมากๆโชคดีของพวกเราก็เหมือนอย่างพวกเราเป็นพาะสาวพวกนั่นแหละพวกเราโชคดีที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีมาแล้วท่านบําเพ็ญมาแล้วพวกเราเพียงแต่มาตักมาตวง เขตักตวงก็คือตั้งใจปฏิบัติตามที่ท่านบอกท่านสอนเท่านั้นเราก็พ้นทุกพ้นโทษไปได้ธรรมะธรรมะของหลวงตาเป็นธรรมะที่ท่านปรุงเบ็ดเสร็จสัจ่งสอนพวกเราให้เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาถือตามประพฤติถามปฏิบัติตามได้และช่วงที่เราเข้าไปอยู่ท่านก็นเน้นหนักเน้นหนักมากอพระช่วงนั้นก็ประมาณ สิบปดสายี่สิเายีถึง้าเป็นอย่างมากท่านตำรวจตรวจปราดูลูกศิษย์ลูกหาดิบดีเป็นเหตุให้พวกเราเนี่สนใจข้อปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติถ้ากันเน้นหนักข้อปฏิบัติเป็นเหตุให้พวกเราตั้งอกตั้งใจทำทำตามแล้วก็ได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติ อย่างลงตาที่เราไปอยู่กับท่านเป็นเวลาเจ็ดปีเราก็จำเป็นต้องได้กลับมาช่วยลุงปู่เขียนอีกเพราะลุงปู่เขียนท่านเป็นอมภภาพมาช่วยดูแลที่วัดท่านอีกหกปีมาช่วยดูแลท่านอีกหกปีเสร็จแล้วก็อาจารย์วัญชัยท่านไปตั้งวัด ที่ภูสังโฆปีแรกเราก็ออกจากลุงปู่เขียนไปบุกเบิกวัดที่ภูสังโฆด้วยกันเพราะตอนนั้นมีพระผู้ใหญ่อยู่ที่ลุงปู่เขียนหลายองค์เราก็เลยได้ปลีกตัวออกมาที่วัดภูสังโฆแต่บัณฑานั้นนะ่ะหลังจากเราออกไปแล้วเราก็เข้าออกเข้าออกเข้าออกก็เหมือนออกเป็นเหมือนเป็นวัดพ่อวัดแม่เข้าออกเข้าออกมีธระปะปังมีการงานมี เทศกาลอะไรสําคัญสำคัญก็เข้าออกเข้าออกเข้าออ ก, ออกมีการไปมาหาสู่กันเป็นปกติธรรมดาถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ไปอยู่ภูสงโคอาจารย์วชัยท่านก็ไปจากบ้านตากไปอยู่ภูสงโครเราก็ออกจากบ้านตากแล้วก็ไปอยู่ภูสงโคไปบุกเบิกด้วยกันสามปีอยู่อยู่ที่นู่นสามปีหลวงตาท่านก็ไปแยกมาอยู่ท่าเต่าจนเดี๋ยวนี้ เพราะตอนนั้นเขาซื้อที่ซื้อที่ถวายท่านที่ตำมเต่าคุณถาวราวังหลีเขาซื้อที่สร้างวัดอุทิศส่วนบุญให้สามีสามีนี่มีเครื่องบินส่วนตัวและเครื่องบินพาตกคุณสุวิทย์วังหลีก็เลยไปซื้อที่ซื้อที่ถวายลุงตาสร้างวัดอุทิศส่วนบุญให้สามีแล้วก็ลุงตาก็ไปบอกให้ไปแยกเราจากภูสังโฆมาอยู่ ตั้งแต่ปีสามสิบแปดปีสามแปดมาจนเดี๋ยวนี้ยี่สิบปียี่สิปีตอนเราเข้าไปอยู่ถ้าเต่านั้นน่ะภรษาเรายี่สิบพอดีเราไปอยู่ถ้าเต่าแป๊บเดียวมาจนเดี๋ยวนี้ยี่สิบปีท้ายที่ว่าเดี๋ยวนี้เราภาษาเท่าไหร่ <c oughs> ล้วก็เลยอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้นซเมสอด20อแต่วัดวัดที่เราไปอยู่นั้นเราถือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับหลวงตามันเลยกลายเป็นโครงสร้างของวัดเรา ม, มันใหญ่พระเนนก็เลยเยอ ะ, เ, อะเยอะมาจนเดี๋ยวนี้20 30 20 30บางปี40พระเนน มันเป็นวัดป่าแต่มันเกี่ยวข้องกับหลวงตา ม, มันเป็นโครงโครงสร้างใหญ่เลยพระเนียก็เลยเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สามสิบเนี่ยบสามสิมีเนนด้วยสามช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงเขาปิดปิดเทอมเนี่ยจนจนกว่าจะเปิดเทอมพุษภาอันนี้เราพูดถึงที่ไปที่มาให้พวกเรารู้จักเพราะว่าตัน เบทิโก้ท่านอยากให้เล่าความเป็นมาอะไรนิดหน่อยท่านรอนเนี่ยก็พูดแค่นี้ก็พอแล้วแหละพวกเราก็ฟังธรรมะเอาอนี่ถือว่าพวกเราด้วยด้วยกันทุกคนถือว่าเป็นผู้ต้องสอบต้องแสวงหาเราจะเป็นกบพอใจอยู่แต่ไมกลามันไม่ทันเข้าดอกมันไม่ทันเขามันไม่มีโอกาสที่จะมาลืมหูลืมตาผู้ที่ตั้งใจจะ ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริงนั้นจะต้องสอบแสวงหาที่พวกเราสอบพวกเราแสวงหายุคลงปูเ่เสายุคลงปู่มั่นท่านดูเดียุคนั้นมีแต่ยุคเดินทั้งนั้นน่ะลงปูเ่เสาลงปู่มั่นท่านเป็นคนอุบลเดินประกาศศาสนาไปทั่วเลยแหละเดินเดินทวดดงเดินทวดดง พักตรงนั้นบ้านนั้นสองคืนพักตัวนั้นสมคืนพักตัวนั้นห้าคืนเดี๋ยวนี้ตรงไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านเดินไปพักภาวนาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเดินเจรเินตามร่องรอยไปทําวัดหมดแหละทางภาคเหนือไปทําวัดเยอะทําวัดมากเลยแหละหลวงปู่มั่นไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไปสร้างวัดหมดทางอีสานเราก็เหมือนกันน่ะหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาไปอยู่ตรงไหนไปสร้างวัดหมดลวกตาเราเหมือนกันน่ะไปอยู่ไปเกี่ยวข้องตรงไหนอคนไปสร้างวัดหมดเนี่ย การเดินธุ ด, ดงสแวงหาธรรมของท่านกลายเป็นการประกาศพระศาสนาไปในตัวทำให้คนได้ยินได้ฟังเรามาเทียบดูสมัยพระพุทธเจ้ากับเหมือนกันนนตอนนั้นพระอรหันเกิดขึ้นในโลกหกสิบเอ็ดองกับพระองค์เนี่ยท่านสอนให้ไปเธอทั้งหลายจงไปคนละแห่งอะไ ร, ะไรแห่งละคนละคนละคนอย่าไปซ้ำกันไปประกาศพระศาสนาน่ รีบเอาธรรมะซึ่งเปรียบเสมือนน้ำดับไฟนี่รีบเอาไปดับไฟในหัวใจของเขาไปดับความโลภความโกรธคือไฟมันไหม้มันเผาอยู่แต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาดับเพราะพราะเรามันติบตันอ่มันขาดสติขาดปัญญาผ <c oughs> ู้ใจเจ้าสร้างบา ร, รมีมาแล้วท่านพ้นแล้วท่านรู้ช่องทางรู้อุบายรู้วิธีที่จะดับไฟเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีพระสาวกเป็นประจักษ์พยานทั้ง60องค์ เธอทั้งหลายจงไปอย่าซ้ํากันนะไปแห่งละคนแห่งละองค์แห่งละองแห่งละองคแห่งละองค์แม้แต่พระองค์ก็ไปองค์เดียวมกันโน่นนะไปทรมานเชดินนั่นน่ะนี่เราพูดถึงต้นตอที่ไปที่มาของพระพุทธศาสนาแม้แต่เกิดที่ประเทศอินเดียก็ตามก็ไปกระจายไปทั่วไปทั่วโลกถ้าหากไปเกาะกลุ่มอยู่แต่ที่เดียวเดี๋ยวถูกเขาไปกระจายแล้ยกับถูกเผาถูกอะไรหมดเลยไม่มีอะไรเหลือ แต่ถ้ามีการกระจายไปก็ส่วนนั้นถูกเผาส่วนนี้ยังเหลือสมัยอย่างเมืองไทยถูกเผาอ่าที่อรมันก็ยังเหลือใช่ไมที่อเมริกานี่ก็ยังเหลือที่ออสเตรเลียก็ยังเหลือเหมือนอย่างที่อินเดียถูกเผาตั้งแต่ยุคนั้นอ่ะศา ส, สนาถูกเผาที่ศีลังก็กยังเหลือที่พม่า ก, ก็ยังเหลือ ประเทศไทยเราก็ไปเอาศา ส, สนาจากศรีลังกาอะละศาสนาพุทธเนี่ยเอาจากศรีประเทศศรีลังกาไปถือประพฤตปฏิบัติเนี่ยเราดูความกว้างขวาง ข, างของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถกว้างขวางไปทั่วโลกพวกเราแม้แต่ตามาภาพเหมือนกันนั่นแหละถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของครูบาอาจารย์อืม และการที่ได้มาวัดมุตโตไทยครั้งนี้ก็ขอขอบคุณหมู่เพื่อนเนี่ยมีท่านรอนท่านเมธิโกท่านชาตัมโรรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่เป็นพุทธบริษัทอยู่ตรงนี้หย่อมนี้ที่เมืองเยอรมันนี้คิดเห็นพร้อมกันแล้วก็ให้มาให้มาดูวัด ามามุดตัวไทยมาดูบรรยากาศดีอากาศ ด, าาศดีพุทธบริษัทดีเรามาแล้วก็อากาศกันดีจริงๆหมผ้าอุ่นดี<ๆ>อยู่เมืองไทยเราเนี่ร้อนระยะนี้ในี่ร้อนตรงนี้นี่เย็นต้องอาศัยหมผ้าแล้วก็พุทธบริษัทเราก็มาเมื่อช้านี้พี่น้องคนไทยเราก็เยอะ คนเยอรมันเราก็มากที่มาทำบุญตอนเช้าแล้วก็เมื่อเช้านี่ก็พูดธรรมะดังประรพวันนี้ให้ฟังซ้าไปอีนั่นแหละพวกเราก็ถือเยี่งอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านประกาศท่านบอกท่านสอนไปเรื่อยนั่นแหละนี่ก็พูดถึงหลักกว้างเกี่ยวกับความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไป ของเราของท่านข อ, ของวัดในในในระหว่างที่พวกเรามีความเกี่ยวข้องกันมีส่วนเกี่ยวข้องกันก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลและตั้งใจที่จะให้มีการถ่ายไปถ่ายมาธรรมะของพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อจะได้ถ่ายทอดเท่าที่เรามีความรู้ความเข้าใจ มาบอกมาสอนมาแนะซึ่งการและกันเพื่อได้อุบายได้อุบายคลี่คลายไถ่ถอนรู้เหตุรู้วิธีการเพื่อที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติหวังความสุขหวังความเจริญทั้งความเป็นอยู่ทั้งเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานทุกคนมีความประสงค์มีความหวังอยู่อย่างนั้นแล้วกจากนี้ไปก็น่าจะพูดคุยสนทนาการแล้ว มีเราไปรอบหลักๆเปิดประเด็นเอาไว้จากนั้นเราก็พูดคุยกันในแง่ละเอียดในส่วนละเอียดอุปสรรคเรื่องทานเรื่องศีลรักษาศีลมีอุปสรรคยังไงให้ทานมีอุปสรรคยังไงภาวนา ใ, ใจสงบมีอุปสรรคยังไงพิจารณาข้ออัดข้อธรรมอะไรเท่าที่เราพอจะช่วยแนะนําบอกสอนกันแล้วก็ฟังแก่กันและกันในโอกาสต่อไป คนไทยฟังเข้าใจดีไหมเยอรมันคนเยอรมันเราเนี่ยฟังเข้าใจดีไหมว่าดูคุณเข้ t ใจเข้าใจเ t าเคยบวชที่เมืองไทยเขาเข้าใจบวภาษาไทยบ้างบวชมืองไทยกี่กี่ท่านไหนลองยกมืออ้าวสวิชคอนเดียวเป็นน เป็นแนนนะเป็นเป็นพระเป็นเนแล้วแล้วจะไปบวชอีกกี่คนยกมือสองเนี่ยเนี่ยจะไปบวชอีก่ะใครจะจะไปบวชจะไปบวชอีกกี่กี่คนกี่ท่านเฟิร์นเฟิร์น เขาถามว่าหลวงพ่อจะให้ฝรังบวชที่วัดของหลวงพ่อไม่ใช่ที่วัดของเราที่ที่ไหนก็ตามที่เมืองไทยก็ตามที่ตรงไหนก็ตามที่ตรงนี้ก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่วัดเราก็ได้แต่มันสะดวกสู้ที่นี่ไม่ได้อากาศที่นี่ดีพระเนรเยอะที่น้นพระเนรเยอะทำสหายเจ็ดสบปดสิบวัดหลวงปู่ลีผ้าแดงห้าหกสิบ ภูสงโคสามสิบสี่สิบวัดเราไปยี่สิบสามสิบในละแวกวงภูเขาตรงนั้นน่ะมีวัดป่าที่มีพระเนนมาก <c oughs> แต่มันก็ทําให้เราได้ข้อปฏิบัติ ด, ดี <c oughs> มีหมูมีเพื่อนคนนั้นก็ทําคนนั้นก็ทําคนนั้นก็ทําเราก็มีขีจขยี้ใจที่จะทํา <c oughs> มันมีคนทําให้เห็นมีการพูดคุยเรื่องการภาวนาเรื่องการรักษาศีล เรื่องการไปทุ ด, ดงที่นู่นที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้มันมีมันก็มันก็เลยเป็นเหตุ ด, ดึงกันชวนกันทาให้เราได้กาลังใจสายหลวงปู่ชาเนี่ยวัดป่านานาชาติเนี่ย<ม>หลายๆชาติไปอยู่นู่นศา ส, สนาเนี่กว้างศา ส, สนานี่มันกว้างมากตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นตรง น, น, รงนี้ตรงนี้ตรนี้ยิ่งพระสายป่าเราเนี่ยเที่ยวไปทุ ด, ดงไปเรื่อยไปเรื่อยนี่กว้างมาก เขาแสวงหาความรู้เพื่อที่จะมาดูแลรักษาตัวเองครูบาอาจารย์แวดวงที่เป็นสายเป็นสายเป็นสายกรรมฐานกรรมาสายปริยัติก็เยอะอยู่ในเมืองแต่ก็ปริยัตเพื่อปฏิบัติก็มีปริยัตเพื่อเรียนเพื่อบอกเพื่อสอนกันสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อต่อมาก็มีปริยัตปฏิบัติ ป, ตปฏิเวทต้องเกี่ยวข้องกันเขาําว่าที่วัดหลวงพ่อ เรื่นิสัยจะเอา เ, อาเคร่งครัไหมครบหรือเปก็อยู่กับครูบาอาจารย์ห้าจครบรอบภพรรษาโดยไปที่ทเอิญได้หลังจากพรรษาที่สองก็ช่วยตัวเองก็ช่วยตัวเองได้วินัยก็ต้องช่วยตัวเองได้จิตใจก็ต้องช่วยตัวเองได้ห้าพรรษาก็ถือว่าเราก็เรียนรู้หลัก ปริญญาตหลักปฏิบัติและก็ข้อวัดที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์พญาท่านจึงให้อยู่5้พรรษาอยู่กับครูบาอาจารย์พอนอกพรรษาเราก็ไปแสดงได้หนึอ่อาทิตย์2อาทิตย์1เดือน2เดือน4เดือน5เดือนแล้วก็ค่อยกลับไปจาพรรษากับครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมอยู่จนครบ5้พรรษาเราก็ถือว่า เราปฏิบัติตามหลักของศีลของธรรมได้ถูกต้องดีข้อวัดปฏิบัติได้ครบถูกต้องดีเราก็สามารถแยกตัวไปอยู่บำเพ็ญได้แต่ว่าการที่จะดูแลให้เป็นไปตามศีลนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายแต่การที่จะตั้งใจปฏิบัติเดินตามทางเพื่อให้ถึงที่สุดของธรรมะนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นสายป่าเราเนี่ยมักจะถือนิสัยสมัยที่ผมอยู่บรรดาเ น, นี่ยนะ หลวงปูรหลีนี่พรรษาท่านก็มากและคุณธรรมท่านก็ถึงที่สุดแล้วน่ะท่านก็ยังขอนิสัยกับหมู่ครับพระพรรษาสิบพรรษายีสบพรรษาสาิบพรรษาสี่สิบพรรษาขอหนสัยกับหลวงตามหมดครับไม่ไม่จำเป็นว่าแค่ห้าพรรษานะสายสายหลวงปูชาก็น่าจะเหมือนกันมั้งเหมือนกันใช่ไหมเออหลวงปู่หลีท่านยังอยู่นะตอนนี้ท่านเป็น ท่านไปพูดหลัผู้ใหญ่ตอนนี้ไปดูแล้วเกี่ยวกับเรื่องจะสร้างเจดีย์ที่มันตัดอ่หลวงตาท่านให้ใช้ยาว่าเสรษยรธรรมผ้าคีริว้วหอทองเสถียรธรรมเสถียรธรรมเสรษยา ร, ะะ ร, ร, รธรรมหลวงตาท่านเรียกเสสร็จเอ้ยใช้ยางท่านกุศลธารโอเสถียรธรรมนี่คือหลวงตาท่านเรียกหลวงปู่ีนี่อายุเก้าสิบสองอายุเก้าสิบสองเลยนะยังอยู่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ อายุเก้าสิบสองตอนนี้ก็ท่านนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอหมดลงตาไปแล้วครูบาอาจารย์ที่หมู่เพื่อนเคารพยำเกรงให้ความเคารพมากๆกับลุงปุรีเคารพยำเกรงเพราะว่าล้ตาคือลุงปุรีรรรรรท่านลุงปุรีนี้ท่า น, ทานบท่านบวชท่านบวชตอนงานเผาศพลงปุ่มั่นตอนนี้พรรษาเท่าไหร่เนาะหกสิบแปด เขบห้าสบหกสิบห้าถ้าบวชงานเขาสบลงปูมันใช่ปัญชัดเท่าไหร่เป็นหกสบหสิบห้าปีครับหสบห้าหรือหกสิบหกนี่นี่หกบหกน่าจะหกสิบหกหกสบหกหสบลงปูรีหกสิบหลงปู่บุ 60, 60, มี หกสิบแปดล้มปูนมีอายุน้อยกว่าล้งปูหลีแต่พันสามากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ก็สายล้ตาเราก็ที่เป็นอายุพันสามากกว่าหมูก็คือล้มปูล้มปูปุนมีเขาเรียกล้มปูปุนมีใหญ่อันนี้เขาเรียกล้มปูอันนี้ล้มปูปุนมีน้อยอันนั้นเขาเรียกล้มปูปุนมีใหญ่สายพันสามหกสิบแปดล้มปูหลีนี้ หกสิบหกอายุแต่ลุงปู่ลุงปุ๋นมีไม่ใช่ลุงปู่มัีเนี่ยอายุแปดสิบเก้าอำเภอผือโยมอำเภอผือลุงปุ๋นมีอยมอำเภอผือ อ, อ, อ, อุดอรใชหไห ม, อ, ด อ, ด อ, มอุดอรมั้งกันอุดรแล้วอีกองหนึ่งรองลงไปอีกก็อาจารย์อินอาจารย์อินที่เมื่อเช้าเอาซีดีมาให้เนี่ยซีแผ่นซีดีอาจารย์อินก็อยู่นครน้อยอำเภอนานอยูงอยู่เลย หลวงปู่มีไปอีกอาจารย์อินอาจารย์อินนี่ก็อายุเจ็ดสิบปีเต็ ม, อ, มอ่าพันาก็ะห้าสิบเต็มเนี่ยเมือม่อเมื่อยีิบเจ็ดเมษานี่ก็เป็นวันเขารอบของท่านยีิบเจ็ดเมษาพวกเราก็ลูกศิษย์เนี่ยถือกล้องนี่ก็ลูกศิษย์ตอนบวชวัดบรวรแล้วก็ไปอยู่กับอาจารย์อินเนี่ยใช่เจียงเจียงเคยบวชคุณเทวทูวรมัน วัร้รววเล อ, อยู่อาจารยอินบวชกี่พรรษาไมลุกกี่พ<า>รรษาเุกพรรษาเดียว <laughs> อาจารย์นวัดปนานคคำน้อยอำเภอนายูงอำเภอนายูงอุรอาจารย์อินนี้บวชเนนแปดปีนะครับ <c oughs> บวชพระบวชพระห้50 50าสิบห้าสิบพรรษารวมเป็นห้นาสิบแปดพรรษาท่านบอกว่าชีวิตท่านเกือบทั้งชีวิตน่ อยู่ในพรสศาสนาห้าสิบแปดห้าสิบแปดปีเรนตั้งแต่อายุสิบสองาจารย์อินพ่อแม่อยู่ทางคำเจี๊ยห้วยทรายคำชจี๊ยมุกดาหารอาจารย์อินเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่รองลงไปจากนั้นก็ระจายกันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเต็มไปหมดครูบาอาจารย์ทางเมืองไทยเราโดยเฉพาะทางสายนุกบูชาก็เยะ ยิ่งต่างประเทศยิ่งเยอะแต่เราต่มาไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักท่านบูชากระจายกระจายก่อนสายลุงตาอีกแล้วท่านตั้งเป็นสาขาเป็นหลักดีมากเป็นร้อยเป็นร้อยรอยสาขาใช่ไหมโอ้น่าจะสองร้อยสองร้อยกว่าสองรอยกว่าสาขาสองรอยกว่าวาัดท่านนับเป็นสาขาแต่ลุงตาท่านไม่นิยมเรียกสาขาอืท่านไม่นิยมเรียก ใครไปอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนใครช่วยเหลือตัวเองได้ไปมาหาสู่อะไรยังไงท่านก็ช่วยไปตามนั้นท่านท่านไม่ได้นิยมตั้งเป็นสาขาเหมือนอลุงปูชาลุงปูชาท่านให้เป็นสาขานน้นสาขานน้นแล้วก็มีระบบการปกครองดูแลกันดีมากดีมากสายลุงปูลุงปูศรีอีกสายหนึ่งลุงปูศสีอีกก็สายหนึ่งแต่ลุงตาท่านไม่ไนิยมเรียกสาขาใครอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ไปอยู่ไปอยู่ไ ป, ย ไ, ป ไ, ปไปมาหาสู่ไปอะไรกันไป S <S แต่ไม่ไม่ไม่ถือว่าเอาเป็นว่าถือศาสนาปฏิบัติศาสนาถามเรื่องสินที่ข้ขอที่ห้าสุราเป็นอะไรมันผิดสินเกิดขึ้นกับวัตถุหรือกับวิหัสเมงเเมงเงจนวนจำนวนปริมาณรือกาแฟาเป็นเป็นผิดสินหรือเปล่า ที่เลียกอะพมาดาใช่ไหมครับาพูดถึงผิดศีลเพราะ อ, อะผิดศีลเพราะอะไรใช่ไหมอะพา ม, มาดาใช่ไหมห ม, มายถึงศีลข้อห้าใช่ไหมครับศีลห้าเนี่ยศีลข้อห้าสุราเมรยัยสุราเมรัยที่ท่านถือว่าผิดศีลเพราะว่าสุรากับเมรัยเนี่ยมันทําให้เราขาดสติถ้ามาคิดดูเราขับรถเนี่ยเมื่อคืนเร า, เรานั่งรถมาไม่ตม่ำกว่า รอยแปดสิบน้ำคืนโอ้โ <c oughs> หลอยไปเลยมาไหมมาไหมไม่เลยมาควันเสาร์เป็นวันคือจิตของคนเราเนี่จิตของคนเราสักที่ว่ารู้นะอาศัยว่าอาศัยว่ามีสติเนี่ยแหละควบคุมให้จิตเป็นไปในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ชอบแต่สุราเนี่ยมันเป็นวัตถุที่ทําให้ ทำลายประสาทสมองของเราทําให้เราขาดสติเมื่อเราขาดสติแล้วเนี่ยศีลข้อห้าเรากินไปแล้วเมาทําให้เราขาดสติเมื่อเราขาดสติแล้วเราขาดความยับยัง้งขาดความสํานึกขาดความยับยัง้งศีลข้อหนึ่งเราก็ผิดง่ายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมผิดลูกผิดผัวผิดเมียของเขาแล้วก็พูดเท็จ เพราะฉะนั้นใครผิดสินข้อ 5, ข้อเดียวเนี่ยสินเหล่านี้เนี่ยผิดได้ง่ายมากเมาเล่ามาตีเมียเมาเล่ามานอกใจเมียเมาเล่ามาฆ่าคนก็ได้เมาเล่ามาไปลักทรัพย์ก็ได้ปล้นธนาคารก็ได้เมาเล่ามาพูดพูดโกหกมดเท็จพูดต่อพูดต้องพูดตุนอะไรได้สารพัดเพราะฉะนั้นท่านถือว่ามีโทษมากกว่ามีโทษร้ายแรงกว่าข้ออื่นอื่นอีก เพราะว่าผิดสินข้อ5ข้อเดียวเนี่ยสุรามรัยข้อเดียว เ, ยเป็นเหตุให้ผิดข้อ2ข้อผิดข้อหนึ่งข้อ2ข้อสาข้อ4ผิดได้ง่ายมากมีโทษมีโทษมีโทษมีโทษหนักถ้าหากชอบสุราเป็นไอจินอยู่ดีเรื่อมดีชอบเมาตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนวิกลวิการบ้าใบไม่มีสติไม่มีสัมปัญญะเพราะกรรม อย่าลืมว่าเรื่องของศีลมันเป็นเรื่องของกรรมไปในตัวด้วยศีลกับธรรมนี่เป็นอันเดียวกันก็เหมือนอย่างข้อหนึ่งฆ่าสัตว์เนี่ยพอเราฆ่าเขาปั๊บเนี่ยเขาตายแหน่กลายเป็นว่ามีเวรมีภัยกรรมแล้วเราฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเราลักของเขาเดี๋ยวเขาก็ลักของเราผิดลูกผิดเมียเขาเดี๋ยวเขาก็ผิดลูกผิดเมียเรามันเป็นเรื่องกรรมพูดโกหกหมดเทสเดี๋ยวก็ถูกข้าต้ม เราตั้งใจะจะลอกลวงจะต้มตุ๋นเขาเขาก็จะมาต้มตุ๋นเรานี่เรื่องของสิ่งของธรรมจะเป็นไปด้วยกันคนที่ชอบกินเหล้าเมาเป็นไอจินวิบากกรรมส่งให้เขาเกิดชาติหน้าพบใหม่ทําให้เขาเนี่ขาดสติขาสัมผัจัญญาเป็นคนวิกลวิการไม่สมไม่สมประกอบทางด้านสมองเป็นคนโง่เป็นคนคลึกเป็นคน อะไรสารพัดเนี่ยมันมีโทษนะมีโทษมากเรื่องศีลหา้าศีลห้าถ้าเรารักษาถ้าเราศึกษาให้ดีจะละเอียดมากเขาามีข้อขัดแย้งอะไรไหมที่ที่เราอธิบายไปเนี่ยเขามีเขามีข้อขัดแยง้ง<ม>เข้าใจ<ม>เขาจ้<ม>เขาใจเห็นไปเป็นอื่นไปไหมครัไม่ผมอยากจะเพิ่มสักนิดหน่อยเพราะว่าป<น><น>กติเขาอ้างว่านะถ้าถ้าเราบอกว่าเหตุผลที่นุ่พอธิบายนะเพราะว่าสติ เขาจะอ้างว่าเออถ้าเดืนเบียร์สักแก้วหนึ่งก็ทำไม่ได้ขาดสติครับเขาทานเขาทาแบบนั้นแหละเป็นปกติเพราะว่ารถไบ่เป็นเมืองเบียร์ปล่อยบางยากอ๋อเออ亚洲เมืองมันนี่เป็นเมืองเบียร์ทงจังเมืองเบียร์เหรอเบียร์ไม่เมาใช่ไหม เไรแอลกอฮอล์ก็มีแต่ไม่ได้พูดถึงคือคือเรื่องศีลธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเราไปเราไปขัดแย้งไม่ได้<อ>เหมือนอย่างเขาพยายามยกตัวอย่างมาอเอาสามีภรรยาสามีพอใจให้ภรรยาไปเป็นชู้กับคนนั้นได้ชู้กับคนนี้ได้พี่ศีลไหม คนพยายามพยายามจะแซบปัญหาใหมา่างเงี่ยที <c oughs> นี้เราถ้าเราหาเรื่องขัดแย้งกับคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ย mm hmm. พุทธเจ้าท่านเด็ดขาดท่านเด็ดขาดแล้ว mm hmm. พุทธเจ้าลองฟังคําจํากัดความที่พุทธเจ้าท่านจำกัดความสามี <c oughs> เป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีถ้าภรรยานอกใจสามีแสดงว่าภรรยาเอาสมบัติของสามี ไปบำรุงบำเรอคนอื่นถ้าสามีนอกใจภรรยาแสดงว่าสามีขโมยเอาสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นถือว่าเป็นการขโมยสมบัติของกันและกันนะแสดงสิน น, น, ส น, นนี้ถ้าผิดกันแล้วนี่สินข้อนี้ถ้าผิดกันแล้วนี่บ้านนั้นนี่จะร้อนไปหมดล่ะทั้งลูกทั้งเต่าทั้งครอบทั้งครอบทั้งวงตระกูลร้อนบ้านแตกสราขาดไปเลยไม่ต้องลองเลย มีโทษมีโทษมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะน้พุทธเจ้าท่านจึงจึงห้ามนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะกามราคะการมาราคะเนี่ยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายท่านถือว่าเป็นยอดของกามเพราะฉะนั้นคนจะทนกับสิ่งเหล่านี้ยากแต่ถ้าใครวิรังดเว้นสิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาดข้ออื่นก็นจะตกไปหมดนะยิ่งในสังคมที่ผู้ผชายผู้หญิงคลุกคลีกันด้วยแล้วเนี่ย เราระวังไม่ได้อันนี้แหละคือหอกข้างแคร่เดี๋ยวถูกทิ่มหลังแล้วทิ่มทั้งหลังข้างหน้าแหละทิ่มเลยทิ่มใส่เลยแหละเดี๋ยวฟืนไฟเผาไหม้บ้านแตกสรายขาดไปเลยเรื่องเรื่องเรื่องสินข้อห้านี่ไม่ไม่เรื่องสินเรื่องศินข้อสามสามีภรรยานี่เราเราไม่ต้องลองเล ย, เลยแหละการมาราคะท่านให้มีสินห้าสามีเป็นคู่ครองกับภรรยาภรรยา กับสามีเกี่ยวข้องกันได้แต่ถ้าเป็นศีลแปดเนี่ยเกี่ยวข้องกันไม่ได้ศีลแปดผู้หญิงกับผู้ชายเกี่ยวข้องกันไม่ได้แต่ศีลห้าพระพุทธเจ้าท่านยังให้เกี่ยวข้องกันได้แต่ถ้านอกใจกันนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้ายังเกี่ยวข้องกันอยู่ได้ท่านถือว่าราคะราคะท่านถือว่าเป็นไฟนะราคะขีราคะคิยังเป็นไฟอยู่ในเตาเอามาหุงมาต้มมาแกงมากินอะไรได้เกิดประโยชน์ แต่ถ้านอกใจแล้วนะถ้าท่านถือว่าไฟนอกเตาไม่รู้มันไปตกอยู่ตรงนั้นตกอยู่ต้นตกตกอยู่ตรงไหนไม่รู้ไฟไหมลุกลามไหมหมดทั้งบ้านทั้งช่องในสุดคือไหมใจใจมันเดือดร้อนวุ่นวายสรุปสรุปได้ว่ า, าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อดับทุกข์ในหัวใจของคนอ่า อุบัติมาเพื่อดับทุกข์ในหัวใจของคนอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าท่ารู้อุบายวิธีเพื่อที่จะระ ง, งับดับความทุกข์คือแสวงหาความสุขดับความทุกข์ให้หมดความสุขมันจะคืนขึ้นมาเช่นอย่างท่านสอนให้ครบอบบ่งจรสอนให้ให้ให้ทานให้ทานนี่ก็ทําให้เราได้ความสุขเพราะการให้ทานมีอนิสงส์มีผลมีอนิสงส์รักษาศีลก็มีผลมีอนิสงส์เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ สินห้าสินแปดสินสิบสินสองยยี็แต่สินนี้ยังเป็นสมมุติอยู่นะยังเป็นสมมุติบัญญตัติตั้งอยังงั้นยางงั้นยังงนันังงั้นไม่เหมือนธรรมะธรรมะเป็นเรื่องของหลักสัจธรรมมีสัจธรรมรองรับอันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อดับทุกข์ในหัวใจของคนทีนี้พวกเราแต่ละชาติแต่ละคนแต่ละชนแต่ละชั้นแต่ละชาติตาตอ่า จะสนใจเรื่องเหล่านี้หรือไม่สนใจเรื่องเหล่านี้มันมันมันประกอบไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหมือนกันบางคนเคยทำบุญมาแล้วในการก่อนก่อนเป็นคนเคยนับเคยเคารพเคยนับถื อ, อเคยประพฤติเคยปฏิบัติศาสนธรรมมาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเกื้อหนุนมาให้เราต้องได้มาบัดมาประสบมาพบมาเห็นได้มาเกี่ยวข้องได้มาผูกพัน อันนี้คือปุเพกะตะปุญญตาบุญเคยสั่งสมมาแล้วจะต้องมาประสบพบเห็นอีกเช่นอย่างเคยบวชก็จะต้องเป็นเหตุเราให่อยากบวชเคยให้ทานก็ยังอยากให้ทานเคยรักษาศีลก็อยากให้รักอยากรักษาศีลอยากภาวนาคือเคยมาแล้วอันนี้อันนึงเป็นเหตุให้เราเสาะแสวงหาธรรมะเป็นเป็นเหตุให้เรามาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเหตุอีกอันหนึ่งคือความทุกข์ในหัวใจ มันจะแสวงหาความดับดับทุกได้ยังไงเนาไม่รู้จักวิธีการที่จะแสวงหาความดับทุกเสรษไปยเศรษมาเศรษมาเศรษฐาก็เจอวิธีการเพื่อระงับดับความทุกเราจะเห็นในสมัยพุทธกาลเลยวิธีระงับระงับดับความทุกมีเยอะมากครูบาอาจารย์หลายขณาจารย์มากคนนั้นก็อาจารย์ดังงั้นคนนั้นก็ดังงั้นดังงั้นดังงั้นดังงั้นแต่ของแท้ของจริงก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอบัติมาเพราะท่านบรรลุด้วยการได้ด้วยการบรรลุ ด้วยการตรัสรู้ตรัสรู้ข้อประพฤติข้อปฏิบัติเพื่อระงับดับความทุกข์ผู้ที่มีความทุกข์ในหัวใจแล้วก็เสาะหาข้อปฏิบัติเหล่านั้นนะบางคนทุกข์จนเปลี่ยนบ้าบางคนทุกข์จนเป็นบ้าเหมือนนางปตจาราเนี่ยพ่อพ่อกับแม่กับพี่ชายกับผัวกับลูกตายในคราวเดียวกันในวระเดียวกัน นางตาจราเนี่เป็นลูกเสียบถีอยู่บนปราสาทชั้นเจดนุ่นพ่อแม่คขังอยู่บนปราสาทชั้นเจดก็มีคนใช้ที่เป็นผู้ชายไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องเอานุ่นไปสง่งเอานี้ไปให้หนัหนกๆเข้าก็ใกล้ชิดกันกอเลยชอบกันหนีออกจากบ้านไปอยู่ข้างนอกบ้านเป็นสามีเป็นภรรยากันนี่นิทานนางพิตาจราแล้วนะตอนนี้นะ เสร็จแล้วพอครครั้งแรกจะจะมาคลอดที่บ้านแม่ทำเนียมพรามเขาจะมาคลอดลูกที่บ้านแม่พอมาได้ครึ่งทางก็คลอดคลอดก็กลับคืนไม่ไปหาพ่อหาแม่เลยพอลูกที่สองมาอีกชวนสามีมาเพื่อที่จะไปคลอดที่บ้านแม่พอมาได้ครึ่งทางท้องท้องแก่แล้วเนี่ยฝนพายุตกก็นาให่โตเลยนะสามีสามีก็ไปหาอะไรเพื่อที่จะมาปิดมาบางัง เพื่อที่จะให้นางปตยาจารานีคลอดลูกเหมือนั้นเถอะในขณะที่สามีไปด้อมดอมอยู่ข้างๆจอมปลวกเนี่ยงูมีพิษไปฉกตายตายอยู่โน่นอยู่ข้างๆจอมปลวกเนี่ยฝนตกกระนําพายุใหญ่หน้างนี่ก็ไม่รู้จะทําไงทั้งลูกคนแรกทั้งลูกที่กำลังกําลังจะคลอดในสุดจะมาคร่อมไว้กันฝนมันจะกันได้แค่ไหนเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราดูที่คราวนั้นน่ยคนตายคนแรกคือสามี มูฉกตายเพราะไปหาสิ่งมาปกมาปิดเพื่อที่ให้ภรรยาของเจ้าของนี่คลอดลูกพอฝนตกหยุดไปเดินหาเห็นสามีนอนตายอยู่โอ้ยถูกลราคิดดูนีทุกขนาดไหนไอ้ตัวเองก็กำลังออกลูกใหม่ๆนี่ทุกขนาดไหนลูกคลอดออกมาเนี่ยเสร็จ แ, แล้วก็ไม่ยังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่วางใจที่จะไปหาแม่แล้วก็ ไปต่อไปไปไปไปหาแม่พอเดินไปหาแม่ก็ไปหาแม่ก็ต้องไปข้ามลำน้ําอีกทีลูกสองคนจะเอาไปสองคนก็พร้อมกันก็ไม่ได้แต่น้ําไม่ลึกน้ําต้องข้ามไปต้องลุยไปเอาลูกคนเล็กที่ออกวันนั้นน่ะเอาลูกคนเล็กในข้ามไปก่อนลูกคนโตให้ยืนอยู่ฝั่งนี้เอาลูกคนเล็กไปวางไว้ที่ฝัง่งมันออกใหม่ๆเน่ลูกดูลูก <c oughs> ลู ก, ลกไม่รู้ภาษาอะไรแล้ไอ้คนโตก็อยู่นี้ พอเดินกลับมาเพื่อที่จะมาเอาคนโตข้ามไปเนี่ยเหยียวมันก็เอาลูกคนเล็กไปเหยียวเหยียวตัวใหญ่เห็นลูกคนเล็กแดงๆที่ว่าเป็นก้อนเนื้อมันก็โชบไปแม่แม่มาถึงกลางลําน้ําเนี่ยอเหยียวก็โชบไปก็ตบมือไล่เหยียวไอ้ลูกคนโตอยู่ทางนี้คิดว่าแม่เรียกวิ่งลงไปน้ํามันไหลมันก็พัดหายไปในน้ําตายสองอีกพ่อก็ตายไปแล้วผัวก็ตายไปแล้วลูกสองคนก็ตายไปแล้ว ทุกขนาดไหนนทุกเดินขึ้นไปอีกเดินเดินไปจะเปิดเดินไปหาแม่ไปก็มีคนข้าวสวนมาเอ๊เสถียีคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขยังไงถามเัาก็รู้สับโอ้เมื่อคืนนี้ฟ้าพายุถล่มบ้านพังเษฐีสามีภรรยาแล้วก็ที่เป็นที่เป็นพี่ชายเนี่ยพี่เป็นพี่ชายคนนันตายกัาตายหมดกำลังเผากันอยู่เนะ่พอได้ยนะินว่าพ่อก็ตายแม่ก็ตาย น้องชายน่าจะเป็นน้องชายน้องชายก็ตายเป็นบ้าเลยใช่ไหมเป็นบ้าเลยเห็นไหมมันทุกแล้ดูดิความทุกข์ทับถมหัวใจจนบ้าทุกแบบผ้าหลุดลุ้ยอะไรไม่มีสติขาดสติขาสขามัญญาเดินเหมือนคนบ้าผมเเผาลุงลังเดินไปไปตรงไหนเขากาไ็ไล่บ้าไอ้บ้าไปตรงไหนเขากาไ็ไล่บ้าบ้าบ้าบเดินไปเดินไปเดินไปพุทธเจ้าสแสดงธรรมอยู่เห็นเขาพุทธิย่อแสดงธรรมคนมากมายคิดว่าเขากําลังแจกของกัน เลยไปเพื่อจะได้อะไรเนี่ยไปพอไปในรัศมีของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็แผ่รัศมีไปทำให้นางนี่เริ่มมีสติขึ้นมาเข้าไปใกล้ๆเขาก็โยนผ้าให้มาปกปิดร่างกายไปทนนั่งฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดความเรื่อมใจศรัทธาในที่สุดก็เข้าใจความเปลี่ยนไปความเปลี่ยนมาของชีวิตของธาตุของขันของความทุกข์ของกองทุกในที่สุดก็บวชบวชก็ได้มรุปเป็นพระอรหันต์นี่พระศาสนา เป็นเหตุคนมีความทุกมาแล้วเป็นเหตุให้คนคนนั้นมาถือประพฤติมาถือปฏิบัติหนึ่คนนั้นมีบุญเก่ามาเกี่ยวข้องกันได้ได้เข้ามาอยู่มาฝึกมาฝวนม า, มาประพฤติมาปฏิบัติต่อ 2. คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาเลยแต่ว่ามาประสบพบเห็นเห็นว่าเป็นช่องทางเพื่อที่จะระงับดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงแล้วเ ข, าาเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติมัน ม, มีมีหลายอย่างบางคนฆ่าคนตายเงี้ย อ, อก็เหมือนอย่างองคลีมาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนางอุบลวรรณางเงี้ยไม่ใช่เหมือนนางกุณทนเกษีอย่างเงี้ยนางกุณทนเกษีนี่ก็เหมือนกันแต่มันจําได้ไหมนะพอละน้อยครับเอาไปเดี๋ยวเล่ากุณฑลเกษีหน่ครับนี่ น, นี่เราพูดที่ที่ไปที่มาของคนที่จะเข้ามาสู่ศาสนานะครับอมาจากหลายหลอย่างครับ เนี่ยมันก็โชคดีได้ได้ได้สมัยพระุทธเจ้าท่นทรงไปชนอยู่มัโชคดีอแต่ความทุกข์ที่ติดติดติดอยู่กับเรากับท่านก็คือทุกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องเค็ดต้องลาบ <c oughs> บางคนก็เห็นเรื่องความทุกข์เหล่านี้มารบเราก็เป็นเหตุหาหาบายหาวิธีพุทธิเจ้ให้พ้นจากอันนี้ไปได้อเหมือนอย่างที่พระพุทธเา้าท่านทรงดำตินั่นนหละทำไมเรา เห็นคนแก่เราต้องแก่เห็นคนเจ็บโอ้เราจะต้องเจ็บเห็นคนตายโอ้เราก็จะต้องตายเห็นช่องทางเพื่อที่จะไปแสวงหาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็คือการออกบวชเท่านั้นเองการที่จะมาสู่ศาสนานี้มาสู่คําสอนนี้เริ่มแรกมันก็มาจากเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ในหัวใจของเราทุกสารพัดทุกจอดมาแล้วก็ทุกสภาวะทุกของร่างกายที่เราต้องแบกเนี่ยเราต้องเจ็บเราต้องแก่เราต้องตายเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องที่ความทุกข์ที่เราจะต้องประสบความสุขที่เราจะไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้มีอยู่พุทธยถาท่านสอนสอนให้เราหัดกินหัดละกิเลสนี่แหละสอนให้ทานให้รักษาศีลให้เจอสมาธิให้ใช้ปัญญาวิใช้ปัญญาวิปัสนาเพื่อให้รู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยจากการที่ต้องมายึดมาถือเพื่อเราต้องมีอัตภาพมีร่างกายต้องมีพพต้องมีชาติต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีพบมีชาติทไหนมีแก่มีเจ็บมีตาย มีวิโยคมีพลาดพที่นั่นความทุกข์เหล่านี้เป็นเป็นความทุกข์ที่มารุมมารบมาร้าวในหัวใจของเราอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เราเขีดลาบและทําให้เราต้องได้สะเสีงหาแต่ถึงยังไงก็ตามความทุกข์โดยลําดับขั้นมันมีอยู่ตามตามที่แนะนํามาตั้งแต่ที่แรกนั่นแหละสุน uh ัน huh. ขั้นพื้นๆอยู่รักษาศีลรักษาศีลแค่นั้นก็มีความสุขให้ทานมากๆแล้วก็มีความสุข แต่ถ้าพอใจแค่ให้ทานพอใจแค่รักษาสิทตายแล้วเราก็ได้สวรรค์สมบัติถ้าตั้งใจจะจัทําจะให้ได้รับความสงบเป็นสมาธิเนี่ยถ้าตายไปแล้วอย่างน้อยเราก็ได้พรหมสมบัติพิจารณาให้เกิดปัญญารอบรู้ละอัตตาตัวตนของตัวเองได้ได้นิพพานสมบัติ่าวันนี้เรายุติจบสรุปอเอาแค่นี้แค่นี้วันนี้แค่นี้อืม แล้ววันต่อไปมีอะไรก็พูดบอกเขาทีวันนี้เอาแค่นี้มั้งวันนี้ครับเราบอเรามีโอกาสด้วยการทุกคนขอให้ตั้งอกตั้งใจคนไทยฟังไม่ต้องแปลขอให้ตั้งใจให้มากๆคนเยอรมันเราก็มีอาจารย์ทั้งสององค์สามองค์เนี่ยถึงแมาไม่มีครูอาจารย์องค์อื่นที่อื่นมาก็อาศัยท่านเหล่านี้พานำภาวนาบอกแนะ พวกเราก็ยังมีโอกาสแสดงว่าพวกเราก็จะตองย่าพวกเราก็ต้องมีปุกเพกระตะปุญญาตาบุญที่สั่งสมอบรมมาแล้วไม่งั้นไม่ได้พบไม่ได้เห็นกั น, กนง่ายๆแหละดูแต่เขาฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวัน น, ะนั่นนะมีบุญที่ไหนเนี่ยแสวงหาความสุขด้วยอัตตานี่ยนะต้องเราต้องเราต้องเราคนอื่นตายช่างมันตายช่างมันฆ่าทิ้งอะไรอะไร อวันนี้เราก็จบแค่นี้แล้วก็มีอะไรก็อยู่อยู่ภาวนาที่นี่ก็มีแหละภาวนาที่วัดนี่ก็มีเลยมีอยู่มีสามสามสี่คนแล้วก็อีกอีกครบอีกคือสามีภรรยาที่อยู่เก็เท้าตี่สาธุสาธุนี้มากเลยม่มีเสียงรบกวนบางคนอยู่ไกลบางคน ตรงทางร้อยกว่ากิโลวันนีเราก็มาอย่างเงี้ยเวลามันไม่เข้ากันเวลาเวลาฉันของเมืองไทยเป็นเวลานอนของที่นี่เวลายกตัวอย่างวันเนี้ยเวลานอนเวลานอนของที่เมืองไทยเป็นเวลาที่ต้องทําวัด ต้องทำอะไรตอนค่ำของที่นี่มันเปลี่ยนไปหมดอ่ะเวลานอนเป็นเวลาทานเวกินเวลาฉันเป็นเวลานอนเวลานอนเป็นเวลาฉันลืมไม่เข้ากัน